สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เป็นวันจันทร์แรกของปีใหม่2016นี้ขอพระเจ้าทรงนำพี่น้องที่รักที่ฟังเสียงจากสีบันทุกๆเช้าให้มีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานจะรับการทรงนำของพระเจ้าในทุกๆ ก, การดําเนินการทุกๆ ก, การตัดสินใจและเพื่อที่ให้ชีวิต ของพี่น้องจะเป็นพรในที่ทำงานนำคนที่อยู่ในทีมงานนั้นได้มีโอกาสมารู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอาเมนพี่น้องครับในเช้าวันนี้ฉุดเปเซูตอนที่ห้าร้อยสิบสามเปเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่สิบแปดพี่น้องครับในบทที่หกของพระธรรมฮีบรู เป็นข้อเรียกร้องของผู้เขียนฮีบรูว่าให้เราผ่านหลักธรรมเบื้องต้นแห่งคิดศาสนาก็คือความรู้เกี่ยวกับการที่พระเยซูนั้นทรงเป็นผู้ใดทรงทําอะไรและมีวัตถุประสงค์อย่างไรเมื่อเราข้ามหลักการแห่งคิตดศาสนาเราก็มาดูชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเราจะต้องผ่านนะครับผ่านทะลุ เรื่องของการกลับใจเรื่องของความปรับพติเข้าสู่ความลึกซึ้งทางคิดแศา ส, สนามากขึ้นก็คือการที่จะรู้จักน้ำมัทยของพระเจ้าและฝึกฝนชีวิตที่อยู่ในกฎเกณฑ์ของพระเจ้าน้ำมัทยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นมีอยู่ครับวันเวลาของเราก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า พี่น้องครับความรอดของเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาไว้จนถึงที่สุดและการงานต่างๆที่เรากระทำในการรับใช้พระเจ้านั้นเพราะเหตุที่เรารักพระองค์มีความสัมพันธ์กับพระองค์ก็จะทำให้การงานที่เราได้กระทำนั้นพระเจ้าจะทรงถือว่าเป็นประโยชน์และเป็นคุณเมื่อเราเป็นเมื่อเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า สิ่งที่เราทําไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในที่ทํางานปกติของท่านในทุกๆวันก็ตามอยู่ในครอบครัวที่ท่านจะต้องกลับไปและพบกับสมาชิกในครอบครัวทุกวันเช่นเดียวกันท่านครับพระเจ้นักของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในต่อจากเมื่อวานคือข้อที่เจ็ดข้อที่แปดข้อที่เก้าจนถึงข้อที่สิบสองผมจะขออนุ ญ, ญาตย้อนกลับไปนะครับ เมื่อวันเสาร์ที่แล้วในข้อที่เจ็ดครับด้วยว่าพื้นแผ่นดินแห่งใดที่ได้รับน้ำฝนอยู่เสมอและมีพืชผักขึ้นให้ประโยชน์แก่คนทั้งหลายก็ได้รับพระพรจากประเาแต่ถ้าพื้นดินนั้นมีต้นหนามใหญ่และหนามย่อยเกิดขึ้นก็ไร้ค่าจนเกือบจะถูกแข่งสาบแล้วในที่สุดก็จะถูกเผาไฟคาว่าพื้นแผ่นดินแห่งใด หมายถึงชีวิตของพวกเราครับพื้นแผ่นดินใดที่ได้รับน้ำฝนอยู่เสมอก็คือชีวิตของพวกเรานะครับใครก็ตามที่ได้รับน้ำฝนหล่อเลี้ยงก็จะเกิดพืชผักขึ้นให้ประโยชน์ครับหมายความว่าชีวิตของเราหากมีพ่อจนะของพระเจ้าหล่อเลี้ยงชีวิตของเราก็จะเกิดผลนะครับสามสิบเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างร้อยเท่าบ้างเราจะเป็นดินที่ดีครับ ดินที่ดีให้เราไม่ได้เป็นดินที่อยู่ข้างๆถนนไม่ขึ้นนะครับพืชผักไม่ขึ้นต้นไม้ไม่ขึ้นมเมล็ดหว่านออกไปก็จะถูกนกมาจิกมากินมาเก็บเกี่ยวไปเสียแต่ถ้าหากว่าเราเป็นดินที่ดีมเมล็ดก็คือพระวจนะของพระเจ้าตกเข้าไปอยู่ในดินที่ดีก็จะเกิดพืชผักเกิดผล สามสิบเท่าหกสิบเท่าและหนึ่งร้อยเท่าต่อไปในข้อที่แปดครับน่ากลัวเพราะว่าโพชนพระเจ้าตอนนี้บอกว่าถ้าพื้นดินนั้นมีต้นน้ําใหญ่น้ําย่อยเกิดขึ้นพื้นดินนั้นก็ไร้ค่าต้นหนามใหญ่หําย่อยก็ไร้ค่าครับจนเกือบถูกสาบแช่งแล้วในที่สุดจะถูกเผาไฟ <c oughs> มีความหมายว่าชีวิตของเขานั้นจะไม่โ r o d u c t i v ครับ แต่ชีวิตของเขาที่ไม่ใช่เป็นดินที่ดีไม่ยอมกับใจเป็นชีวิตที่ดื้อดึงไม่เชื่อฟังชีวิตของเขานั้นไม่เพียงแต่ไม่เกิดผลแต่เกิดผลร้ายด้วยนะครับไม่ใช่ไม่เกิดผลแต่เกิดผลร้ายและผลของเขาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะอยู่ได้ นั่นหมายความว่าจะต้องถูกเอาไปเผาไฟไม่มีประโยชน์ไม่นำซ้ำํายังเสียของอีกนะฮะพี่น้องครับชีวิตของเราจะเป็นแบบไหนครับจากจะเป็นชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นชีวิตที่ฝักใฝ่เพราะว่าจนะของพระเจ้าเป็นชีวิตที่เปรียบเส ม, มือนกับพื้นแผ่นดินที่ได้รับน้ําฝนอยู่เสมอเราก็จะเกิดผลมากขวายเกลียรดแดดพระองค์พี่น้องอย่าลืมนะครับอะไรที่เราทํากับพระองค์ พระเจ้าเพื่อพระองค์เพื่อพระเจ้าจะสะท้อนกลับมาเป็นพระพรในชีวิตของเราตลอดครับพระองค์ไม่เคยติดหนี้ใครครับและพระหัตถ์ของพระองค์ก็มีได้สั้นที่จะช่วยไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงคืนพระพรมาให้เราอยู่เสมอด้วยเหตุนี้เราจะไม่มีวันเสียเปรียบครับ แท้ทจริงแล้วผมไม่ควรพูดคําว่าเสียเปรียบหรือได้เปรียบแต่ผมอยากจะบอกว่าเมื่อเราฝักใฝ่ในพระเจ้าเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเมื่อเรารักพระเจ้าชีวิตของเราเนี่ยมีแต่จำเริญขึ้นนะครับผมเรียนแบบนักเทศบางท่านว่าชีวิตของเรานั้นมีแต่นได้กับได้ได้กับได้คืออะไรครับก็คือได้รับพรที่มาจากพระเจ้า blessing และการที่เราได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้ามันจะล้นไหลออกจากชีวิตของเราครับและไปหาผู้อื่นที่อยู่รอบข้างนี่เป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องแน่นอนครับว่าใครก็ตามที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าพระพรจะล้นไหลออกจากชีวิตของเขาเป็นพ่อพระพรหรือเรียกให้สวยงามก็คือเป็นทานแห่งพระพรนะครับ ในข้อที่9ของพระธรรมฮีบรูบทที่6ได้พูดว่าว่าแต่ดูกอนท่านที่รักแม้เราจะพูดอย่างนั้นเราก็เชื่อแน่ว่ากรณีของท่านนั้นมีสิ่งที่ดีกว่าที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นก็คือสิ่งที่เกี่ยวกับความรอดพี่น้องครับมีเพลงมากมายที่พูดถึงว่าเราชื่นชมยินดีในความรอดของเราพี่น้องครับหลายายครั้งทีเดียวเป็นข้อคิดนะครับว่า ทุกวันนี้เราได้รับความรอดเรามีความรอดอยู่คำถามก็คือเราชื่นชมยินดีในความรอดของเราหรือยังเราชื่นชมยินดีในความรอดของเราหรือเปล่าข้อที่สิบอธิบายต่อไปว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอัตธรรมที่จะทรงลืมการงานซึ่งท่านได้กระทำพี่น้องครับทุกวันนี้หลายหลายคนทางานเพื่อพระเจ้าเราอยากจะให้ คนอื่นหรือพี่น้องของเราจดจำเราไว้นานๆแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะเมื่อเราจากไปพวกเขาก็ลืมไปหมดแต่พระเจ้าไม่ลืมครับพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานที่ท่านได้กระทำสิ่งใดก็ตามที่เรากระทำเพื่อพระเจ้าสิ่งใดก็ตามที่เรากระทาโดยเหตุที่เรารักพระเจ้านะครับ การรับใช้ของเราที่เรามีอยู่โดยเหตุที่เรารักพระเจ้าแรงจูงใจที่ถูกต้องพระเจ้าจะไม่ทรงลืมแต่พระเจ้าจะไม่รู้จักคนที่รับใช้พระองค์อย่างโดยที่มีแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องเมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซูเคยสอนครับบอกว่ามีคนหลังจากที่จากโลกนี้ไปแล้วก็บอกว่า เขาได้อธิษฐานขับผีเขาได้ช่วยทำงานพระเจ้าทำนู่นทำนี่พระเยซูบอกว่าจงถอยออกจากเราเราไม่รู้จักเจ้าเลยปีน้องครับพ่มผีตอนนี้เตือนสติเราทั้งหลายซึ่งทำงานโบสถ์ครับทำงานรับใช้พระเจ้าทำหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเราอ้างบอกว่าเพื่อพระเจ้าแต่แท้จริงแล้วเพื่อตัวเองครับ เพื่อหน้าตาของตัวเองเพื่อชื่อเสียงของตัวเองเพื่อที่ตัวเองนั้นจะดูดีเพื่อที่ตัวเองนั้นจะได้รับการยกย่องเพื่อที่ตัวเองนั้นจะได้รับการชื่นชมชมเฉยว่านี่เก่งดีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำนั้นแรงจูงใจของเราต้องตรวจสอบครับต้องตรวจสอบว่าเป็นแรงจูงใจที่ดีที่ถูกต้องหรือเปล่าเพื่อที่ว่าสิ่งต่างๆที่เราทานั้นจะไม่สูญเปล่าครับ เราจะเป็นพื้นดินแผ่นดินที่ดีที่ได้รับน้ำฝนนะครับและพระเจ้าก็จะอวยพรเราข้อสิบเอ็ดครับผู้เขียนฮีบรูปรารถนาให้เราทั้งหลายตั้งใจจริงในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาดูว่าความตั้งใจจริงนั้นเป็นอย่างไรตั้งใจจริงเป็นอย่างไรนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในวันนี้เวลาหมดลงแล้ว ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้วันแรกแห่งการทํางานนั้นจะเป็นพระพรครับอย่าลืมนะครับทุกๆการคิดการตัดสินใจการไข่ครวนเวลาท่านนั่งประชุมอยู่ให้คิดถึงพระเจ้าเวลาที่นั่งนั่งนั่งขายของอยู่ให้คิดถึงพระเจ้าเวลาที่นั่นท่านขับรถอยู่ให้คิดถึงพระเจ้าเวลาที่ท่านพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอยู่ขอให้คิดถึงพระเจ้าเวลาที่ท่านสอนหนังสือหรือเวลาที่ท่านทำอะไรก็ดีขอให้คิดถึงพระเจ้า อาเมน